วันอาทิตย์ที่17กันยายน2538เป็นการบรรยายพระสูตรในสังยุตติกายเรื่องปฏิจจะสมบาทโดยอาจารย์สุเทพโพ ธ, ธิสัต t าท่านสาธุชนที่เคารพการบรรยายพระสูตรวันนี้ความจริงควรจะเป็นพระสูตรที่สิบของวรที่สองที่มีชื่อว่าปัจจยะสูตรแต่เนื่องจากว่ า, ามีปัญหามาสองครั้งแล้วนะเลยไม่ได้พูดสักทีหนึ่ง จึงได้นําเอาพระสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองในวรคที่สามมาพูดล่วงหน้าเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นการขอยืมวันสับกันคราวหน้าจะต้องย้อนไปพูดสูตรที่ค้างอยู่สําหรับสูตรนี้เป็นสูตรที่ปรากฏอยู่ในวรคที่ท่นตั้งชื่อว่าทศทศพลวัคคาว่าทศพลนั้นกลายเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าตามศาสตร์แปลว่ากําลังสิบพละ แปลว่ากำลังทาศาบแปลว่าสิบและคคำว่ากำลังตัวนี้ไม่ได้หมายถึงกำลังพระบรารกายหมายเอากำลังยานจึงบางทีเรียกว่าทศพลยานแปลว่ายานอันเป็นกำลังสิบอย่างและหมายเอายานกำลังของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเหตุนั้นชื่อของพระพุทธเจ้าที่กล่าวด้วยอานาจของยานหรือด้วยอานาจของคุณสมบัติทางปัญญานี้ จึงเรียกพระผู้มีพระภาคอีกพระนามหนึ่งว่าพระทศพ ล, ลายานหรือพระทศพลดังที่เคยได้ยินกันในพระสูตรนี้สูตรแรกชื่อว่าปฐมทศพลสูตรก็คือพระสูตรที่กล่าวถึงทศพ ล, ลายานสูตรที่หนึ่งและต่อด้วยทุติยทศพลละสูตรคือสูตรที่กล่าวถึงกำลังของพระพุทธเจ้าเป็นสูตรที่สอง แต่เนื้อหาในสูตรนี้ไม่ได้มุ่งอธิบายถึงตัวยานทั้งสิบว่ามีอะไรบ้างคือทศพลยานสิบคืออะไรก็ไม่ได้บอกจตุเวสารัชายานอย่างในที่สูตรสองเนี่ยนะจะตุเวสารัชายานซึ่งแปลว่ายานอันแกล้กลาหรือยานที่ทำให้พระผู้มีพระภาคทรงมีความแกล้กลาสี่อย่างก็ไม่ได้พูดถึงตัวยาน ผมจึงจะไม่พูดอธิบายเน้นถึงประเภทของยานในที่นี้ก่อนขอรอโอกาสไว้ในตอนหลังแต่เหตุที่สูตรนี้ชื่อว่าทศพนสูตรก็เนื่องจากว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงกล่าวถึงสิ่งที่เป็นอารมณ์ของยานสิบคือไม่ได้พูดถึงตัวยาน ถ้าพูดถึงตัวยานก็จะพูดว่ายานที่หนึ่งคืออะไรเป็นอย่างไรยานที่สองคืออะไรเป็นอย่างไรแต่กล่าวถึงสิ่งที่ยานสิบรู้ว่าเพราะรู้อะไรจึงทรงปฏิยานว่าทรงมีความรู้นะั้นเวลาเราคุยถึงบัญญาเราก็คุยกันเป็นสองอย่างเนี่ยครับหนึ่งพูดถึงสมตรติภาพทางความรู้สองพูดถึงสิ่งที่ตัวรู้ว่ารู้อะไรทรณีถ้าเราจะพูดถึง ว่าเรามีสมรรถภาพอย่างไรเนี่ยคนมองไม่เห็นนะเหมือนคนที่มีความรู้มีความฉลาดในเรื่องโลกเรื่องธรรมแล้วก็ไม่ได้เคยแต่งตําราสักเล่มเงี้ยสังคมก็ไม่รู้จักหรือคนที่มีภูมิปัญญาสูงแต่ว่าไม่สามารถจะแสดงธรรมได้อคนทั่วไปก็แลเหมือนเป็นคนไม่ได้มีความเฉลียวฉลาดอะไรแต่คนที่อาจจะรู้น้อยแต่พูดได้มากคนก็ดูตามผลงานที่ออกมา กอ น, นึกว่าเป็นคนที่มีความรู้มากซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คนทั่วไปคาดคะเนก็ได้ทีนี้คนที่จะมาอย่างรู้สมรรถภาพทางปัญญาโดยกําหนดรู้ดูสมรรถภาพข้างในเนี่ยเป็นเรื่องของคนแคลาดที่เ้ามองกันเห็นถึงว่าอันนี้จะพูดเปรียบเทียบให้เห็นว่าบางคนเนี่ยเราเราเห็นว่าเป็นคนใหม่เป็นคนรุ่นหลัง แต่ว่ามองสมรรถภาพทางบัญญาแล้วเราก็ตีข้าวมีสมรรถภาพทางบัญญาสูงกว่าเราทั้งที่เขาเพิ่งมาใหม่หรือยังรู้อะไรไม่มากนะักแต่เราเห็นอนาคตว่าคนนี้ถ้าปฏิบัติถ้าศึกษาได้ข้อมูลมากเขาจะไปได้ไวและได้ประโยชน์จากวิชาการเช่นจากธรรมะนั้นมากอันนี้เราก็ตีค่าด้วยการกําหน่งถึงสมรรถภาพทางภูมิัญญาแต่บางคนเนี่ยได้ข้อมูลมากแต่ว่าสมรรถภาพทางปูมิัญญาน้อย แต่ที่เขารู้มากเพราะว่าเขาเรียนมาก่อนแต่ไม่เป็นคนลึกซึ้งเป็นคนอาจจะเต้นเตือนอะไรอย่างเงี้ยถึงจะเรียนมาแค่ไหนแค่ไหนตติฆ่าในทางภูมิปัญญาสรมรรถภาพไม่สูงแต่ความรู้เยอะนะนั้นสิ่งเหล่านี้มันอาจจะเป็นเรื่องรักลั่นกันได้แต่สําหรับบางคนแล้วความรู้ก็เยอะแล้วสรมรรถภาพก็มากมาแต่ไหนแต่ไร otes. อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ย เมื่อทรงตรัสรู้สมรรถภาพทางปัญญานั้นสุดยอดและเมื่อทรงแสดงธรรมสิ่งที่ปัญญารู้ก็ออกมานะจนถึงที่สุดเนี่ยประไตรปิฎกสี่ิบ้าลเล่มนี่ถือว่าเป็นผลได้ของสมรถญญ ร, มสมสมรถภาพทางปัญญาของพระพุทธเจ้านี่ก็ผมกําลังจะบอกว่าสูตรนี้ท่านบอกว่าท่านมีสมรรถภาพทางปัญญา แล้วก็ธรรมะสภาพทางปัญญาที่ว่ามีเนี่ยรู้อะไรท่านจะบอกให้ฟังก็บอกให้ฟังว่ารู้อะไรแต่เรื่องนี้นะท่าเราไม่ได้เข้าใจธรรมะตามสมควรไม่ได้ติดตามศึกษากันโดยลําดับตามสมควรเราก็อาจจะสายนะนะอาจจะสายหนะ้าว่านี่หรือทศพลยานติติรูปังนี่หรือทศพลยานอิติรูปรสมุทยัยไม่เห็นมีคุณค่าอะไรเลย แล้วอ่านแล้วก็ไม่เห็นเราจะได้รู้อะไรขึ้นมาจากการรู้ว่าอิติรูปังสงสยัยคิดอย่างนี้บ้างก็เปล่าคิดอย่างที่ผมผมว่าเนี่ยปะอ่าก็เรื่องน่าคิดขนาดเราคนอยู่กับวัดกวาแทๆ้ๆหรือคุกคลีอยู่กับธรรม ะ, ทะแท้ๆล้วยังรู้สึกว่าเอนี่จะมีคุณค่าสมคสาําโฆษณาหรือไม่ถ้าเป็นคนโล ก, โลกเขาคงจะสายหน้าไม่เห็นคุณค่า ผมอ่านสูตรนี้ตั้งแต่ต้นโดยลำดับว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอาณาถาบินธิกะเศรษฐีกรุงสาวัถีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูก่อนวิกสูตั้งหลายตถาคตประกอบด้วยทศพ ล, ลยานและจตุเวสารัชยานจึงปฏิญาณฐานะของผู้องค์อาจ บรลือศรีหานาในบริษัทท่างหลายยังพรมมจักให้เป็นไปว่าเนี่ยเป็นการบอกว่าท่านมีคุณสมบัติทางปัญญาแล้วก็มีบุคลิกที่จะพึงนําเสนอข้อมูลที่ปัญญาอย่างรู้คือเรื่องราวที่จะพูดต่อไปเนี่ยในลักษณะที่เรียกว่าองอาจองอาจตัว น, นี้หมายถึงองอาจเป็นข้อความเปรียบเทียบเหมือนกับนักรบผู้องอาจ นั่นเป็นความองอาจในแง่ของการในหมู่นักรบองอาจในหมู่อันตพานก็ไปอย่างแต่องอาจในหมู่นักปราชหรือผู้รู้เนี่ยก็เป็นความองอาจอีกอย่างหนึ่งแล้วความขี้ขาดในในหมู่นักปราชก็เป็นความขี้ขาดอีกอย่างหนึ่งนะฮะแตกต่างกันคืออย่างนี้ฮะบางคนเนี่ยอาจจะองอาจในสมรภูมิลบ แต่ว่ากลายเป็นคนขี้คลาดในหมูนักปราดเป็นไปได้ไหมครับ yeah. เห็นว่าบางคนเนี่ยอาจจะเข้าสมรภูมิลบซามกลางระเบิดควันปืนไม่กลัวเลยแต่พอขึ้นเวทีแสดงความรู้สันพับๆๆเรื่องจริงนะพวกตำรวจตะเวนชายแดนเนี่ยเคยเจอมาแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเวลาลบไม่กลัวแต่เวลาขึ้นไปพูดไปอธิบายอะไรเนี่ยกลัวอันนี้เทียบ ให้ฟังว่าเขาไม่เคยพูดทีนี้มันมีอีกอย่างหนึง่งแม้แต่คนที่เคยพูดแต่ว่าถ้าจะต้องไปประจันหน้ากับคนที่รู้มากกว่าเนี่ยก็เกิดความกลัวนี่พูดถึงในกรณีของคนที่กําลังมาแสดงเหตุผลต่อกันและคนนั้นยังเป็นคนมีกิเลสนะหรือถ้าพูดถึงว่าไม่มีกิเลสก็ไม่ได้บุคลิกอย่างสมมุติว่าพระอรหันต์ที่ไม่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางธรรมเมื่อเทียบกับพระพุทธเจ้าก็ทั้งสองท่านก็ไม่มีกิเลส แต่พระพุทธเจา้านั้นย่อมทรงองค์อาจในการประกาศธรรมท้ามกลางบริษัทจึงเหมือนว่าเหมือนบลอสีนาฏในพระสูตรหนึ่งทรงเปรียบเทียบว่าราชาสีเมื่อจะออกจากถ้าไปหาเหยือ่อก็จะมองไปยังเหลียวไปยังทิศทั้งสี่แล้วก็คำรามโหกเขามรามไงผมไม่รู้นะนี่ยระนึกอยากเสือคำรามลั่นไปยังสี่ทิศ สัตว์ทั้งหลายเมื่อได้ยินเสียงราชสีก็พากันจะพึงกลัวหลบลี้หนีหน้าขันใดพระผู้มีพระภาคเนี่ยเมื่อจะทรงประกาศธรรมจะทรงออกสู่ที่ประกาศธรรมก็จะทรงมองไปยังที่ทั้งศีและบรรลือศรีอนาที้พวกที่ภอุปบัญญาติดอยกว่าก็พากันยําเกร็บการอาการแสดงธรรมะอย่างมั่นใจอย่างองอาจนี่จึงทําให้ทรงยังพรหมจักให้เป็นไปพรหมจักหมายถึง จากอันประเสริฐยิ่งกว่าจากแก้วของพระเจ้าจักรพรรดิเราจะได้ยินคําว่าทรมาจากกันจนคุณหูฝังใจในสูตรนี้ไม่เรียกว่าธทำมาจากเรียกว่าพรมมาจากถ้าถามทำมาจากคืออะไรหรือพรมมาจากคืออะไรเราก็จะนึกว่าทำมาจากพรมมาจากนั้นคือทำมาจากแสดงเรื่องอะไร อาเรียมักเรื่องมักใช่ไหมนั่นคือธรรมจักเราก็นึกว่าธรรมจักคือจะต้องเป็นเรื่องธรรมะอย่างนั้นแต่ความจริงเนี่ยมันเป็นเนื้อหาเดียวกันครับเพียงแต่ว่ายกอะไรขึ้นมาเป็นหลักอ่าตรงนี้ก็เลยจะอธิบายว่าสูตรนี้พูดถึงเรื่องขันใช่ไหมเรื่องขันในธรรมจักกระปนัดสูตรพูดถึงเรื่องอ่ามันเป็นเรื่องถึงกันอันเดียวกันในแง่ที่ว่าเมื่อพูดถึงนามรูป นั่นหมายถึงอารมณ์ของวิปัสนาเมื่อพูดถึงวิปัสนานั่นหมายถึงตัวรู้นามรูปเมื่อพูดถึงมรรคนั่นพูดถึงวิปัสนาที่สมบูรณ์แล้วเป็นองค์มรรคแปดเมื่อพูดถึงอาเรียรรสัตสีนั่นหมายถึงอารมณ์ของหรือสิ่งที่อาเรียมรรคตัสรู้พูดเป็นคำนว น, นเหมือนกับเป็น วิวัฒนามีนามรูปเป็นอารมณ์ก็เลยว่าเรื่องนี้นะ่ยยกอารมณ์ขึ้นมาพูดหรือยกตัวรู้ขึ้นมาพูดทานองเดียวกับที่ทรงพูดถึงญาณแล้วก็พาดผ่านไปถึงสิ่งที่ญาณรู้มันก็เป็นเรื่องเดียวกันตรงนี้และเรื่องอริยสัจเรื่องขันห้าตรงนี้ไม่ใช่ขันห้าอย่างเดียวนะครับ จริงๆแล้วเป็นอริยสัจสีเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูมันคืออริยสัจสีแบบเดียวก็ปฏิจจารเนี่ยมุมที่เราเห็นได้ก่อนก็คือความเป็นนามรูปและเป็นปัจจัยเนื่องกันแต่ก็เป็นอริยสัจสีในข้อที่ว่าสายเกิดเป็นทุกขสมุทยัยสายดับเป็นมรรคกนิโรธนะขันห้าถ้าแสดงว่าขรูปเวทานาสัญญา นันแสดงแต่ทุกข์ถ้าพูดว่าลูกเกิดลูกเอตเกิดของลูกความดับของลูกถึงจะสามก็จริงแต่ไปกระทบมรรคกระทบนิพานด้วยอันนี้ว่าอย่างเราๆให้เห็นก่อนนะเดี๋ยวจะอธิบายก็เป็นอันว่าจะตรัสว่าพรหมมาจากรหรือธรรมาจากอันเดียวกันอย่างที่ทรงตรัสว่าพรหมกายธรรมกาย ใน อ, อักขันยะสูตรตัดเป็นวัยพ์คู่กันเป็นหลายคำทั้งธรรมกายพรมกายภูตกายแต่ในบางแห่งก็ใช้คำว่าพรมคำเดียวบางแห่งใช้คำว่าจักคำเดียวทาทามาจากคำเดียวตรงนี้ก็เป็นพรมจาจักคำเดียวก็เป็นอันว่า การหมุนภรมมาจากรตรงนี้โดยความหมายจริงๆนั้นคือเทศนาถูกไหมเทศนาเนื้อหาที่ทรงเทศนาออกมาภูมิปัญญาแล้วก็ความองอาจคือบุคลิกยานเป็นภูมิปัญญาพรมมาจากคือถ้อยคำและเนื้อหาคำและความ ก็เลยฟังดูแล้วยิ่งไม่มีอะไรกันใหญ่เลยะฮถ้าเป็นพระเจ้าจากพันทัดยังเรียกว่ามีธรรมจักหมุนไปนะฮะก็ยังดูน่าตื่นเนต้นแต่จักของพระพุทธเจ้าอย่างธรรมจักกับพระตัณฑสูตรนันนไม่มีอะไรเลยครับพิมพ์ไปแจกเขาก็แจกกันเป็นกระดาษไม่กี่หน้า สามหน้าก็เห็นจะหมดแล้วดูถ้าไม่มีคุณค่าอะไรแต่ทำไมพระพุทธเจ้าจึงกรัดว่ามีคุณค่าเรื่องนี้อธิบายได้แต่ว่าเข้าใจยากสาหรับคนทั่วไปนะเอาเราก็ผ่านอันนี้ไปเราดูเนื้อความที่เป็นคําและเป็นความแห่งความเป็นพรมมจักคือเนื้อความตั้งแต่นี้ตั้งแต่ดังนี้รูป ไปจนกระทั่งถึงคำสุดท้ายของสูตรนี้ว่าย่อมมีด้วยประการอย่างนี้คราวนี้เรามาดูในทางลึกที่ตรัสว่าอิติรู ป, ปังดังนี้รูปดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปอิติรู ป, ประสมุ ท, ทยัยดังนี้ความด่าแห่งรูปอิติรูปะนิโรธ ด, ดังนี้เวทนาอิติเวทนา ไปจนกระทั่งถึงดังนี้วิญญาณดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณดังนี้ความดับแห่งวิญญาณแล้วก็ผมจงใจจะใส่บาลีมาให้ด้วยนะความดับบาลีใช้คําว่านิโรธความเกิดใช้คําว่าสมูทยัยแล้วก็รูปเวทนาสัญญาท่านกขาเรียกว่าเป็นรูปเป็นเวทนาสัญญาตั้งก า, า, ารวิญญาณ ไอ้ตรงนี้ก็หมายถึงทุกคนนะทีนี้ตรงนี้นะเรามาพูดตรงนี้สักนิดหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสเหมือนเป็นการยืนยันกับภิกษุทั้งหลายว่าต้องการจะบอกว่าอย่างนี้สิ่งที่ท่านกาลังแสดงออกกาลังบอกใ น, ใ น, ใ, นในทิศในทฤษดีอันนี้ ท่านรู้ด้วยนะตัวท่านเองท่านรู้อย่างที่ท่านพูดนี้อย่างนี้ท่านจึงยืนยันคือถ้าเป็นอย่างสมมุติอย่างผมมาพูดงี่พูดไม่ได้จาบอกว่าเพราะผมหลับตาแล้วผมพูดได้ตามสูตรนี้เพราะฉะนั้นผมจึงยืนยันว่าผมมีญาณมีทศวลรษญาณแหละผมพูดไม่ได้ใครก็พูดไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราจำมาพูดราคาทางความจำหรือ รู้ก็แค่ขั้นปริยัติเนี่ยไปอยู่ทะตรงนั้นเยอะไม่ได้รู้อย่างพระพุทธเจ้ารู้ซึ่งท่านรู้เองด้วยแล้วก็รู้อย่างในขั้นโลกุตระยานด้วยจึงพูดถึงสิ่งเหล่านี้อย่างที่เรียกว่าผ่านความกระบวนการทางความรู้หมดแล้วท่านจึงคุยได้ว่าอย่างนั้นก็ค mm hmm. ือว่าสิ่งที่บอกเนี่ยเรารู้เราก็ต้องการบอกให้เธอรู้ไม่ใช่ว่าสิ่งที่บอกเนี่ยผมไม่รู้แต่ผมบอกได้ไออย่างนี้อีกเรื่องหนึ่ง พระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นอย่างหลังเอาละ่ะข้าวนี้ก็มาอธิบายเป็นส่วนๆไปเป็นอันว่าในชุตอนนี้นะพระพุทธเจ้าทรงตั้งขันห้าขึ้นแล้วว่าตรัสว่าทรงรู้ว่าอิติรูปังอิติเวทนาอิติสังขารอิติสัญญาอิติวิญญาณเนี่ยที่แปลว่าดังนี้รูปเนี่ยมันคือรู้แค้นี่จะอธิบายทางลึกนะลึกไม่ใช่ลึกแล้วผิด ทางลึกแล้วก็ความหมายที่ท่านต้องการบอกเอถ้าเรานึกถึงสมัยก่อนถ้าเราอ่านอย่างอย่างมหาสถิปิปสารสูตรนี่เราก็อ่านแล้วเอ๊ะท่นจะเอาความของท่านยังไงเราจับความไม่ได้เอ๊ะมันลึกตรงไหนอะไรยังไงนะแต่พอมาอ่านเรื่องอย่างนี้แล้วในขันธวาระวักแล้วเราเข้าใจเลยว่ามันต้องมีความหมายที่จะอธิบายอย่างนี้จึงจะถูกต้องดีกว่าที่ เข้าใจแต่เดิมเราก็พูดเปื่อไว้อย่างนี้คําว่ารูปเวทนาทั้นคือทุกรู้ทุกรู้นามรูปนั่นเองรู้นามรูปหรือรู้รู้ทุกและตรงนี้นะท่านแสดงถึงขั้นมักขยานขั้นโลอุตาลยานแต่ถึงอย่างไรมันก็ต้องอนุโลมมาจากการรู้โดยลำดับของวิปัสสนาญาณก่อนแล้ว แต่ที่ทรงแสดงเนี่ยตรงมุ่งแสดงถึงขั้นโลกุตระยานว่าโลกุตระยานเนี่ยรู้ทุกซึ่งจะกล่าวโดยนัยยะของขันหะหรือกล่าวโดยนัยยะของอายตนะสิบสองก็ตามหรือจะกล่าวอย่างสั้นๆว่าโลกก็ตามหรือจะกล่าวอย่างสั้นๆว่าทุก็ตามหรือจะกล่าวอย่างสั้นๆโดยโวหารอย่างอื่นอีกมากมายก็ตามมันก็คือทุก แต่ในที่นี้นะพูดทุกอย่างเป็นขันธ์ะเพราะท่านตรัสว่าอ่าสังคหิเตนะปัญจุปาทานนักขันธาผมไม่แปลเดี๋ยวจะหาว่าดูถูกเพราะรู้กันมานานแล้วนี่คือทุกข์ที่ทรงวังโบหารอย่างปรมัติตไม่ได้พูดว่าเกิดแก่เจ็บตายอย่างนะั้นนะแสดงทุกอย่างเป็นปรมัติตเลย ทีนี้ถามว่าการรู้ว่าดังนี้ลูกมันรู้แค่ไหนแม้นี่ความจริงถ้าฟังกันวันเสาร์ด้วยนี่พูดกันง่ายเลยจย้ะก็ว่าอย่างนี้ฮะรู้สามั ญ, ญลักษณะของนามและลูกรู้เหตุเกิดของลูกอันนี้อย่าเอาไปปนกับไอ้สมุทัยที่จะพูดต่อไป ถือว่ารู้รูปเป็นยาตากินยาอย่างว่าเมื่อวานแล้วก็รู้อาการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของรูปก็อย่าเอาไปปนไอเรื่องความดับขรูปที่จะพูดต่อไปคนละเรื่องกันแล้วนี่คือรู้ทุกเนี่ยมันต้องรู้ทั้งตัวรู้ทั้งกรรมพืชของมันรู้ทั้งอาการจริงๆของมันมีอยู่สามอย่างนี่จะต้องรู้ แล้วก็จะรู้สึกยังไงต่อไปนั้นก็ผูกพันอยู่กับความรู้ฐานะของทุกอันมีรูปประขันเวทนาสามอย่างนี้เหมือนกันหมดเวทนามีลักษณะเฉพาะเป็นอย่างหนึ่งสัญญาเป็นอย่างหนึ่งสังขารเป็นอย่างหนึ่งวิญญาณเป็นอย่างหนึ่งใช่หรือไม่ใช่แล้วก็มีเหตุเกิดเป็นของตนของตนร่วมกันบ้างต่างกันบ้างใกล้บ้างไกลบ้า ง, ใ, างใช่หรือไม่ อย่างที่รู้ในยานที่สองแล้วก็พอสูงขึ้นมามันชักจะหนีกันไม่ออกแล้วคือมีอาการเหมือนกันใช่หรือไม่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนกันใช่ไมันั้นตอนนี้เราก็ย้อนกลับมาเน้นให้ชัดว่าลักษณะเฉพาะเนี่ยซ้ากันไม่ได้ต้องต่างกันโดยเด็ดขาดอีเสสาักษณะไม่งั้นมันก็เป็นธรรมสภาวะธรรมอันเดียวกันดี ผมผมต้องขอย้ำอีกทีเนะวทนากับสัญญาเจตสิกลักษณ ะ, ะเฉพาะเหมือนกันได้ไหมเหมือนกันสักยี่บห้าเอร์เซ็นได้ไหมก็ไม่ได้อีกแค่มไม่าดขาดจากการถึงจะเป็นสภาวะต่างกันแต่พอมาถึงเหตุเกิดเนี่ยมันชักมีเหตุของไกลของมันก็มีเหตุร่วมกันก็มีใช่ไมผมยกตัวอย่างเช่นว่า พาสะเป็นเหตุให้เกิดเวทนานี่เป็นเหตุเฉพาะของเวทนาเขาเรียกว่าเป็นประธานเหตุแล้วก็เหตุที่ทําให้เกิดวิญญาณอะไรเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณอวิชชาเป็นเหตุให้เกิดสังขารสังขารเป็นสังขารเนี่มันคนละเรื่องกับไอ้สังขารในนี้นะเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณนี่หรือเป็นของเฉพาะโดยในญาณนั้นเอาเอาเก้าเกล้าอย่างนี้ คราวนี้กรรมที่บุคคลทำแล้วทำให้เกิดขันห้าเป็นวิบากขันอย่างนั้นอย่างนี้รวมกันไหมรวมเราไปผ่าไส้ผ่าพุงสัตว์ไว้แล้วก็เราก็มาโดนหมอผ่าตัดอันนี้อาจารย์ธรรมะคนหนึ่งเห็นหัวผมได้เห็นมกรตาเลยครับรู้ประวัติมา ก, ก่อนที้งมาเข้าโรงพยาบาล ผมก็ยังเสียวๆตัวเองอยู่ในพวกเราโดนๆกันไปได้อย่างน้อยก็เมื่อกี้คุยกันสองคนผมก็ผ่าไส้ผ่าภูุงพวกปลามาเยอะเนี่ยยังเสียวๆอยู่นะฮะเห็นแล้วก็หวาดเสียวเป็นพิเศษเลยผมมันถึงเวลาเขาอาจจะเหมือนอย่างครูบาอาจารย์ผมบางคนสมัยก่อนเนี่ยเลี้ยงไก่ลองไก่ผ่าตัดน ะ, ะตอนเตินพออายุมากขึ้น ต้องผ่าท้องเอาไส้ออกมานอกท้องแล้ววิสุท ก, ก็เสียชีวิตไปก็เวรกรรมที่ได้ทำมายังไงก็เป็นอย่างนั้นพูดแล้วก็เสียวเดี๋ยวสรืหรับผมนะเงินไายผมเพราะฉะนั้นเวลาคือว่าเราเจ็บเพราะผ่าเนี่ยขันห้าปรากฏไหยในความเจ็บนิดหนึ่งก็ตามมีรูปประขันไหม ที่รองรับความเจ็บรูปายากายยายนะมีใช่ไหมลนะ่ะโพธพายัตนะคมมีดเกิดจากอากุศลนิบาศความรู้สึกเจ็บกายยวิญญาณเป็นวิญญาณขันความรับรู้อารมณ์นั้นความรู้สึกทุ ก, กเวทนาเป็นเวทนาขันใช่ไหเจตสิกที่ประกอบอื่นเป็นสังขารขันคิดกรุงแตก ตบขันห้าเนี่ยเกิดขึ้นจากกรรมเรียกว่าเรียกว่าเป็นเหตุร่วมแล้วก็มันอาจจะเป็นเหตุใกล้ในชาตินี้หรือชาติบางก่อนก็ได้ผู้ปฏิบัติเนี่ยจะเห็นหมดนะไอ้สามหลักเนี่ยสำคัญเลยจากเห็นเฉพาะเห็นเฉพาะบ้างร่วมบ้างแล้วก็เห็นร่วมกัน มันสามอย่างนะคืออาการเกิดดับนี่เกิดเหมือนกันไอ้อย่างแรกนี่ต่างกันเด็ดขาดอย่างสองนั่นต่างบ้างเหมือนบ้างอย่างสามนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้เหมือนกันอย่างสามมันเลยมีค่ามีค่าในทางเดียวเพราะว่าไอ้นานัตตาสัญญาที่สําคัญหมายโดยความแตกต่างเนี่ยมันก็ให้ค่ากันวุ่นวายยิ่งต่างมากก็ให้ค่าวุ่นวายใช่ไหมฮ ตามอารมเองให้เป็นนามน ต, ต์ตาสัญญาทีนี้เวลาคนทําวิปัสนาเนี่ยมไม่เห็นคุณมันเห็นคุณค่าลงมาเป็นอันเดียวกันทีนี้ไอ้คุณค่าที่ลงมาเป็นอันเดียวกันเนี่ยมันเกิดเป็นคุณค่าที่ไม่น่ายินดีเช่นว่าเรากําหนดเห็นความแตกต่างจนกระทั่งมาเห็นอาการร่วมกันเป็นสุขแล้วก็เป็นอัตตาอย่างนี้ก็เรียกว่าค่าร่วมกันในทางน่ายินดี ใครมีขันห้าอะไรก็ช่างเอะมันก็เทียงมันก็สุกมันก็อัตตาก็ควรจะต้องยินดีเพราะฉะนั้นเมื่อผ่านยานที่เห็นความเกิดดับแล้วต่อไปก็ยานอื่นก็เกิดความรู้สึกกลับตาลปัตหมดเลยไอที่เบื่อก็ไม่เบือ่อจําได้ไหมยานที่บอกนะไอที่คิดหนีก็คิดวิ่งเข้าหาไอคิดหาทางออก ก็กลายเป็นคิดหาทางเข้ามันก็กลับตาลปัดกันหมแต่นี่มันเกิดไม่เป็นอย่างนั้นความคิดก็ออกไปเป็นลําดับของยานในพวกนะนี่คือความรู้จักขันห้ารู้ว่านี่คือขันห้าหมายความอย่างนี้ในขั้นวิปัสสนาญาณเป็นไปโดยลําดับเมื่อรู้อย่างแจ่มชัดแล้วถึงมรรคญาณก็เป็นอะสัมโมหะปฏิเวท ไม่มีความหลงเหลืออีกเลยหลงฝิดนะชัดเจนพระนามประพฤตเจ้าทรงสแสดงเนี่ยตรงพูดหมายเอาสูงสุดสูงสุดคือรู้ด้วยมักยานเป็นอาสามโมหปฏิเวสผมค่อนข้างจะพูดซ้ำๆอาสสามโมหาอารมณะเนี่ยแต่มันก็เป็นแง่มุมจำเป็นที่เป็นตัวหลักในทางอธิบายสภาวะธรรมทางลึกอยู่ เรื่อยๆในสูตรต่างๆนี่จบไปแถบแล้วนะหนึ่งในสามทั้งขันห้าคืออันนี้ครับเพราะนั้นถ้าถามว่าบาลีที่บอกว่าอิติรู้ปังเนี่ยคือรู้อะไรรู้อะไรรู้รูปอะไรหรือขันห้าเอาขันห้าก็ได้ก็คือรู้อย่างนี้และโดยลำดับอย่างไรก็บอกว่าตั้งแต่วิปัสสนาญาณขึ้นมาถึงม และมรู้กับวิปัสนาญาณรู้แตกต่างกันอย่างไรถามอีกก็ยกคำตอบให้เป็นรายการของวันเสาร์นั่นแหละครับคือบทอธิบายว่ามันแตกต่างกันอย่างไรระหว่างโลกเยียานกับโลกตละลายานเรื่องปริญญานะเอาละอันนี้ขยับมาถึงอีกจุดหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือถ้าในขั้นมรขั้นผลเนี่ยทั้งสามส่วนไม่ได้ ก่อนไม่ได้หลังกันล้อมกันที่ว่าอิติรูปะสมูทัยอิติเวทนาสมูทัยอิติสัญญาสมูทัยอิติสังขารสมูทัยอิติวิญญาณสมูทัยแปลว่ารู้ความเกิดแห่งรูปตรงนี้ท่านหมายถึงเหตุเกิดของรูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างเป็นเหตุเกิดขั้นอริยสัจถามว่าทุกมีอะไรเป็นเหตุเกิดอะไรเป็นเหตุเกิดทุกขั้นอริยสัจใช่ไหมฮะและถามว่าทุกกับขันห้าเป็นเรื่องเดียวกันหรือคนละเรื่องเรื่องเดียวกันขันห้าเป็นบทรวบยอดของทุก หรือบางที่ว่าทุกทุกกทุกศาสตั์นนะนบางที่ทุกเป็นกรมตั้นที่สุดของขันห้างกระดับที่ว่าเป็นบทลอยตุกก็คือโดยนยัยยะเดียสัตว์ที่ว่าทุกเกลื่อยรพลรนาเยอะแยะแล้วก็มารวบย่ออยู่ที่ขันห้าปัญจุ ป, ปาทานขันถูกแล้วก็เวลาแสดงดกันห้างรวบย่อกับวิธีมันก็คือทุกเรียงสั้นๆว่าทุกเพราะนั้นมีตัณหาเป็นเหตุเกิด ทั้งนั้นเลยไม่ว่าสัตว์ผู้ได้ขันห้าครองขันห้านั้นจะอยู่ในสุกติภูมิสุกติภูมิหรือมีครบขันห้าหรือไม่ครบขันห้ามีตันหาเป็นเหตุให้เกิดทั้งสิน้นและตันหาเป็นเหตุให้เกิดอย่างไรเนี่ยเราก็พูดกันบ่อยในลักษณะง่ายๆมาจนพูดซ้ําเดี๋ยวก็จะซ้าๆซากๆนะ เลยต้องผ่านๆไปบ้างแต่คนใหม่ๆก็คงจะถ้าไม่ได้ไปฟังเรื่องเก่าๆก็คงจะไม่ได้ฟังบทนิบบา ย, ยานี้อ่าทีนี้รูปปัสมุรูปอ น, นิโรธนี่เป็นการแสดงอาเรียสัตสายดับว่าอะไรคำว่านิโรธเนี่ยอะไรเป็นความดับตรงนี้ ขออย่าได้เข้าใจว่าความดับตรงนี้ได้แก่ขณะนิโรธไม่ใช่ขณะนิโรธนะมันอยู่ในความรู้โดยความเป็นอิติรูปังเป็นต้นแล้วที่เห็นความเกิดดับนะไอ้ตรงนั้นใช้คําว่ า, อ, อ, าอุทธยาวิยะแต่นิโรธตรงนี้ดับท่านหมายถึงดับ คือบุคคลเมื่อรู้อย่างนี้ด้วยมรรคยานก็ดับเมื่อดับตัณหาได้ก็ดับขันห้าได้คือเมื่อรู้สมุทยัยผลมันก็คือดับขันหา้าไอ้คำแล้วคาว่าดับขันหา้าเนี่ยไม่ใช่ว่าดับปุ๊บเดี๋ยวนั้นนะ่ะแต่หมายถึงดับ เหตุที่จะทําให้เกิดขันต่อไปผู้ที่ดับเหตุที่ทําให้เกิดขันต่อไปก็ชื่อว่าดับขันห้ารู้ความดับขันห้าถึงจะใช้คำว่ารู้เนี่ยหมายถึงรู้อย่างดับรู้อย่างดับรู้และมีผลต่อการดับและในที่นี้ย่อมหมายถึงบุคคล น, นั้น กำหนดรู้ที่ดับของขันห้าด้วยอะไรเป็นที่ดับของขันห้านิพานเพราะนั้นความดับแห่งขันห้าที่กล่าวว่านิโรดนิโรธเนี่ยจึงมีความหมายเป็นทั้งนิโรธษัตว์และปฏิปทา ที่จะให้ถึงความดับทุกได้แก่มรรคสัตว์ปนอยู่ในนี้เสร็จก็คือแสดงเรื่องอริยสัจสี่แสดงเรื่องความรู้อริยสัจสี่ที่บทเทศนาเป็นสามและทุกนั้นไม่ได้แสดงเป็น ห, น, หนึ่งห้นหนแต่แสดงด้วย1ันห้าในฐานะที่เป็นทุก เพราะฉะนั้นเรื่องนี้จริงเป็นเรื่องของมรรคยานที่รู้ขันห้าในฐานะที่เป็นอริยสัจสี่คือการแสดงอริยสัจสี่เนี่ยมีการแสดงเกินสี่ก็มีอย่างในปฏิจจะใช่ไหมแล้วก็แสดงแค่สองก็มีทุกข์กับความดับทุกข์แล้วแสดงสามก็อย่างสูตรนี้หรือยอย่างในคาถาเยธรรมมาเหตุตุปภะวะ ว่าเย่ทำมาทำทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดพระผู้มีพระภาคทรงแสดงเหตุเกิดและความดับแห่งธรรมเหล่านั้นด้วยนะทำทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดทำทั้งหลายหมายถึงทุกเหตุเป็นแดนเกิดหมายถึงตัณหาเนี่ยท่านอธิบายชาัดอย่างนี้เลย และพระู้มีพระภาคทรงแสดงความดับแางธรรมเหล่านั้นคาว่าความดับซึ่งเป็นหน่วยที่สามของประเภทธรรมเนี่ยท่านก็ชี้ชัดแก่ว่าหมายถึงมักและนิโรธมักษัตริย์กับนิโรธษัตริย์อยู่ในคำนี้เช่นเดียวกับธรรมะที่ทรงแสดงเป็นสามอย่างนี้เอาละตอนนี้ผมมาพูด ขยายความลงไปอีกนิดหนึ่งว่าถ้าพูดถึงในทางปฏิบัติในทางปฏิบัติเบื้องต้นเนี่ยถ้าเรื่องนี้เป็นความรู้อย่างในขั้นอริยสัจแล้วในสติปัฏฐานเอามาแสดงอย่างเป็นบุพพาคักมรรคได้ยังไงผมฝืนปล่อย ห, หายตะเท็บมากเกินไปหรือเปล่าถ้าในสูตรนี้แสดงอย่างเป็นการรู้ขั้นอริยสัจเนี่ย ในในสติปัฏฐานสูตรเมื่อแสดงถึงเรื่องของขันก็แสดงอย่างนี้และเราจะปฏิบัติยังไงพราะเรายังไม่ได้บรรลุมักผลอะไรตรวจสอบว่าอาลีการรู้อริยสัจสี่และความรู้อริยสัจสี 4, มีสองขั้นคือขั้นโลกีะขั้นโลกุตตะละขั้นที่เราปฏิบัติได้ก็คือขั้นโลกีะ อ่าวทีนี้ถามว่าเราเริ่มก้าวแรกเลยทํอยังไงให้มันเข้าเรื่องนี้ให้มันเป็นอย่างนี้ที่นเป็นโลกิยะเรากำตั้งหลักว่าเราจะกำหนดขันในโดยในยะรูปแบบของขันห้านะรูปนามเราจะดูอย่างนี้แล้วก็กำหนดพิจารณาส่วนที่เป็นรูปโดยความเป็นรูปเวทนาสังขารวิญญาณที่นโปลมาห้าตัวเนี้ยไม่ไม่ใช่ว่าดูโดยลำดับ เ จ, เจ็บรู้ไหมรู้จะจำรู้ไหมรู้คิดนึกรู้ไหมรู้คิดปรุงแต่งรู้ไหมรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งเป่งตึงรูปเสียงกินลดทงเป็นรูปรู้ไหมมีรู้นี่เราก็ตั้งเป็นหลักอย่างนี้แล้วก็รู้ในรูปแบบอันนี้ทีนี้เอาล่ะพอเอาลงมือทำทำไง จากคนที่ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลยังไม่ได้อะไรมาก่อนเลยในทางภาวนาเมื่อเรากำหนดเวทนาเราจับเวทนาได้จริ ง, รงๆใช่หรือไม่ว่านี่คือเจ็บใช่ไหมนี่คือสุขนี่คือจับมันโปลไหมเราเราจับได้ใช่ั้มเอาเถอะมันจะจับชัดไม่ชัดนะยกมาก่อนเราก็จับเนี่ยไอ้นี่เจ็บแต่ไม่ต้องท่ององ่ะ เวทนาเวทนาไม่ต้องเี้นะหมายถึงอะไรโผล่ขึ้นมารู้แล้วก็รู้สภาพของมันไอที่เราพูดว่าเวทนายัางงีนะ้เป็นภาษาพูดแต่สภาพในหัวใจแล้วเนี่ยมันก็คือกำลังประจันหน้ากับสะภาวะธรรมนั้นอยู่พูดออกมาก็บอกได้เป็นภาษาอย่างนี้แล้วก็พอดูไปดูไปเนี่ยเราเห็นลักษณะแยกกันใช่ไหแตกต่างกันว่าเวทนาไม่ใช่สัญญาสัญญาไม่ใช่วิญญาณ รูปไม่ใช่เวทนารูปอันนี้ไม่ใช่รูปอันนี้สังขารอันนี้ไม่ใช่สังขารอันนี้ตอนนี้เรามีสังขารอย่างนี้แล้วก็ทําไปก็รู้ให้ทั้งทําไมทําไมมันถึงเจ็บทําไมมันถึงคิดปรุงแต่งอารมณ์นี้ทําไมอารมณ์นี้เราไม่คิดมากทาไมพอเราทนกับอารมณ์นี้มันจะค่อยๆปรากฏเราค่อยๆสืบสายไปหาเหตุแล้วก็เห็นความดับอย่างหยาบๆก่อนเกิดขึ้นต่างอยู่แล้วก็ดับไป เราก็หมายตาเรค่อยๆรู้กระแตะลึกก็ไปเรื่อยๆจนกระทั่าทางถึงความเกิดดับอย่างถึงตัวกับภาวะก็เป็นไปโดยลำดับอย่างนี้อา้าวนี่นี่นี่เราในขั้นของว่าอิติอิติและในขณะที่เราอิติอิติตั้งแต่หยาบเข้าไปจนลึกไปตัวลำดับเนี่ยเราไอเห็นความเกิดดับอย่างขั้นโลกี้นะแล้วก็จะ เห็นฤทธิ์ของตัณหาไอ้ที่ว่าตัณหาเป็นทุกข์เนี่ยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างทราบซึ้งเราจะค่อยๆเห็นฤทธิ์ของมันไอโตเนียนะนี่เขาเรียกว่าเป็นความอย่างรู้สมุทยัยไปตามลําดับตามลําดับถ้าตื่นๆก็ยังไม่เห็นฤทธิ์ตรงนี้ก็เห็นแต่ไอเหตุอื่นๆทั่วไปก่อนก็เรียกว่าเราจะรู้จักการกาหนดค่าในทางลบของกิเลสและกิเลสเหล่านี้เราก็จะค่อยๆเรียกว่าคัด ไอ้พวกหังแถวออกไปจนสืบไนปะถึงไอ้ตัวที่เขาเรียกว่าไอแ้แพะรับบาปกับอะไรเนี่ยนี่ไม่ไม่ถึงตัวต้นต่อไอท้ทีแรกแเราก็ไปละแค่ละขายก็อ่กิเลสที่ไม่ใช่ตัวต้นต่อก่อนแต่ตัณหาเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราค่อยๆสืบจับและเห็นความน่ากลัวและค่อยๆละมันได้ภายล่ มันจะค่อยๆไปถึงต้นต่อไง น, นะก็ถ้าเราไปถึงต้นต่อได้เท่าไหร่เห็นข้อมูลชัดเท่าไหร่ได้หลักฐานชัดเท่าไหร่ว่าเป็นสิ่งเลวร้ายน่ากลัวที่สุดคือตัวนี้ไอนน้อย่างที่ว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์น้ำพูดกันได้แต่ว่าในทางลึกเนี่ยเข้าใจทราบซึ้งลําบากหน่อยนะแต่ปริยัติถึงจะพูดให้เห็นทราบเพิ่งอย่างไรก็ไม่เหมือนอย่างผู้ปฏิบัติเพราะฉะนั้น แมใ้ในเชิงการละไพ ร, ะรู้เนี่มันเกี่ยวกันละทีแรกเราก็ไปหนักอกหนักใจจะเอาความดีความชอบหรือมุ่งว่าเรานอนไม่หลับเราคิดฟุ้งก็ไปเรียกว่าไปเล่นกับไอกิเลสทั้งแถวใช่ไหมฮะเนี่ยทำไมเราถึงจะนอนหลับทไมถึงไม่คิดฟุ้งซ่านต้อไงถึงจะกรดไม่กรดง่ายอะไรอย่างนงี้นะฮะ แต่ไม่ไม่ค่อยมีใครว่ให้ทํายังไงนะั้นเราถึงจะละความอยากได้อยากโน่นอยากนี่ไม่ดีทั้งนั้นยังคิดไม่ถึงนะก็เลยไปจับไอ้พวกแพ้รับไม่ไม่ถึงกับแพร่รั บ, บาสนะแพร่รั บ, บาปคือไม่ทําความผิดเลยไอ้อย่างที่เขาไปจับไม้เตือนนะ่ะโดยมากก็ไปเจอไอ้พวกเอกเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยปัตทภาษาข่าวไม่ได้ไม่ไม่สามารถจะจับตัวใหญ่ได้ทจำนองเนี้ยนะต้นต่ออ่าเออทีนี้ ไอ้วิธีก็ต้องต้องค่อยๆสืบเข้าไปจากคนนี้ไปหาคนนี้คนนี้คนนี้การอย่างรู้และการละในทางกรรมฐานก็เป็นอย่างนี้ในที่สุดไอ้ต้นตอเนี่ยมันจะเหลืออ้มูลเนี่ยครับเจ้าตัณหาเนี่ยแหละเป็นวัดตะมูลเป็นสิ่งน่าสะพึงกลัวที่สุดคือตัวนี้แต่ว่าไอ้ชั้นหยาบๆของคนตาไม่ถึงเนี่ยก็เห็นตัณหาเป็นพ่อพระนะทานองเจ้าพ่อกอบพระ เป็นทั้งมีหลายบทบาทอยู่ในตัวเราก็ตาไม่แหลมเราก็นึกว่าดีดีก็เข้าใจไปอย่างแต่คนที่เขามองอย่างลึกๆแล้วเห็นนี่คือผู้ทาลายที่ยิ่งใหญ่ตามจริงไ อ, เ อ, เ อ, เอ้เรื่องกิเลสตัณหาเนี่ยมันมาน่ากลัวจริงๆแต่เราไม่เห็นอย่างที่ท่านว่าพระพุทธเจ้าก็บอกอเหมือนกัน เห็นมิตรเห็นศัตรูเป็นมิตรแล้วก็เมื่อปฏิบัติเนี่ยมันก็เกิดการละกิเลสแล้วก็ทำความไอกิเลสที่มันผูกพันอยู่กับขันเนี่ยมันเริ่มสั่นคลอนในระหว่างยังไม่ถึงมรรคนะถือว่าทำความสั่นครอนให้เกิดขึ้นนึงก็คือตายนิโรธและใจก็โน้มเอียงไปสู่ความไม่เอาขันก็คือไปหาอนิพานมันก็ค่อยๆคล้อย ลาดเทไปอย่างนี้นี่คืออธิบายแบบขั้นโลกยะอัเกโลกียตสี่อย่างอธิบายอย่างนี้ก็เหมือนได้อธิบายในในที่อื่นนะเอาละ่ะผมก็เลยไปถึงอีกประเด็นหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงต่อไปว่าเหตุเกิดอที่ขึ้นประเด็นว่าเหตุเกิดผลเกิดเหตุดับ ผ, ผ, ผลดับเนี่ย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 ด้วยการสำลักโดยไม่เหลือสังขารจึงดับพอสังขารดับวิญญาณจึงดับจนถึงความดับแ่งกองทุกข์ทั้งมวลย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ตรงนี้นะ่ะถ้าเราอ่านอย่างเผลอๆหรือบางทีพยายามจะคิดว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องเดียวกันได้ยังไง ม, ม, มันมันมีไอความกลมกลืนอยู่ตรงไหนหรือต่อเชื่อมมาอยู่ตรงไหน คล้ายๆว่าพูดถึงเรื่องขันอยู่ก็โดดมาเรื่องปฏิจจานีความกลมกลืนความต่อเนื่องมาอยู่ตรงไหนอ่านแล้วเหมือนคนละเรื่องเรารู้สึกอย่างนั้นนะหรือว่าถ้าจะคิดให้เห็นเป็นคนเรื่องคือเราพยายามจะคิดเข้ากัานน้ำมาแล้วก็พยายามตะบิตตะแบงกี่เด้มันจะเข้ากันยังไงมันถ้าจบสัแค่ขันห้าก็หมดเรื่องกันไปเรื่องนี้นะ่ะอธิบายอย่างนี้ อาเยสัตสีที่แสดงอย่างผูกพันกขันนะฮะในเชิงขันเป็นการแสดงอย่างย่อและเมื่อจะทรงแสดงอย่างว่าไอ้ที่พูดเรื่องขันน้มเรื่องเหตุกับผลเหมือนกันแล้วก็มีทั้งเหตุสายเกิดและเหตุสายดับถูกไหมทุกเป็นทุกข์เป็นผลก็คือรูป อิติรูปเนี่ยเป็นเป็นทุกข์เป็นผลแล้วก็อิติรูปสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั้นคือรูปเป็นต้นนั้นแล้วก็อิตินิโรธเป็นความดับทุกข์และเหตุแห่งความดับทุกข์หนึ่งเป็นเรื่องอริยสัจสีที่แสดงอย่างยอดบอกนี่คือหลักเหตุผลคือทุกข์กับความดับทุกข์ทุกข์เกิดจากเหตุเกิดทุกข์ ความดับทุกข์ก็เกิดเหตุจากความดับทุกข์เป็นคู่เหตุคู่ผลฝ่ายดีฝ่ายชั่วเมื่อทรงแสดงกล่าวอย่างนี้แล้วก็บอกว่านั่นแหละเมื่อกล่าวโดยพิสดารก็คือความเป็นเหตุผลเป็นเหตุผลด้วยและเป็นเหตุผลอย่างต่อเนื่องด้วยก็จึงแสดงเป็นรูปขนันห้าออ้ไม่ทันธระแสดงเป็นรูปปฏิจจถ้าถามว่าปฏิจจาก มันเป็นขันห้าไหมในทางสาระของสภาวะเป็นใช่ไหมฮะอวิชาเป็นขันอะไรนามรูปเป็นขันอะไรสังขารเป็นขันอะไรมันทรงเคราะเป็นอันเดียวกันได้หมดผมผมไม่ทรงเคราะให้ฟังนะใครคิดได้ก็คิดไปก่อนคิดยังไม่ได้ก็ฟังไว้ก่อนว่ามันเป็นอันเดียวกันนามรูปย่อมับเข้ามาแล้วก็นามรูปย่อเข้ามาแล้วก็คือทุก กับเหตุเกิดทุกข์แล้วก็ความดับทุกข์นั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อทรงสแสดงสัจจะเชิงขันแล้วก็บอกว่านี่คือเหตุกับผลสองคู่แล้วก็ดึงกลับมาหาโดยพิสดารคือปฏิจจ์ก็เป็นนั้นว่าเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันปฏิจจสายเกิดก็คืออิติ รูปังอิติวิญญาณเป็นที่สุดแล้วก็อิติรูปะสมุทยัยจนถึงอิติวิญญาณสมุทยัยนีโ่โปฏิจาสายดับก็คืออิติรูปะนิโรจจนถึงอิติรูปะอิน ญ, ญาณนิโรธในหมวดขันพูดไว้ข้อเดียว แต่ในส่วนปฏิจจะพูดไว้เสมอ ก, กันกับปฏิจจะสายเกิดนะก็คือว่ า, าเรื่องขันห้าสามประเด็นเนี่ยสองประเด็นแรกเป็นปฏิจจะสายก็คือปฏิจจะสายเกิดประเด็นหลังก็คือปฏิจจะสายดับคือดับทุกเวลาดับทุกเนี่ย เขาพูดถึงเวลาเกิดเนี่ยมันเหตุทําให้เกิดผลแล้วเหตุเกิดผลโดยขยายละเอียดมันต่อเนื่องต่อเนื่องแล้วก็เวลาคนดับดับทุกพูดอย่างสั้นก็คือดับเหตุทุกดับแต่เนื่องจากว่าเหตุกับผลมันต่อเนื่องเวลาดับมันก็ดับเป็นแบบที่เขาเรียกว่าโดมิโนไม่ใช่พระพุทธเจ้าเรียกนะ่ยเป็นทฤษฎีโดมิโนดับเป็นละเนระนาดไปอย่างนี้เหมือนกันนี่พูด สมกับสมัยยุคโลกาภิวัตน์อาละก็คงจะพูดได้เท่านี้สำหรับวันนี้ที่เหลือค่อยว่ากันต่อขอยุติเท่านี้นะครับเิ